สรุปไปเลยขนาดสรุปไปนั่นเองก็คือเมฆคาก็อุ้ ม, มไปลงที่อีกฟังเลยท่า น, นก็ไปตั้งนะคร อ, อยู่ที่นั่นอันนี้ความเป็นมาของมหาชนุษนะที่นี่เกิดขึ้นก็เพราะอันนี้คือหมายความว่าสร้างวัดทําวัดอเมริกาขึ้นมาเนี่ยมันจะยากขนาดไหนก็ตามความจริงมหาชนุษตัวจริงคือคือใคร อย่าเรียกว่ามหาปรยสันไม่ได้นะได้ชื่อใหม่มหาชนกเลยนะดังชื่อใหม่แล้วมหาชนกไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าท่านมหาปรยสันนะะมหาชนกไปแล้วดังนั้นเองคือมีความพยายามด้วยไปพยายามของขั้นความพลังพยายามของท่านไม่พอท่านไปเอาพลังความเพียรจากที่ไหนอุตส่าห์ไปขอความเพียรพลังความเพียรที่ไหนที่อินเดียถึงสามเดือนน่ะเห็นไหมท่านมีความเสียสละขนาดนั้นเพื่อเห็นแก่ใครเพื่อเห็นแก่โยมที่มาอยู่ที่นี่แล้ว บ้านหลวงเมืองมาทำมาหากินเป็นทุกประสบ ป, ปัญหาอะไรต่างๆทุกอย่างแต่มาเห็นคนอเมริกาแล้วด้วยความ <c oughs> ทุกข์ยากลำบากต้องต่อสู้ปัญหาว่าไปเนี่ยคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยทุกกว่าบ้านเราหลายเท่านะเพราะอะไรแล้วก็จนกว่าบ้านเราหลายเท่าโดยไม่ทำก็ไม่ได้กิ น, กนบ้านเราเนี่ยไม่มีงานทำสิปีก็อยู่ได้ <c oughs> ใช่ไหมที่นี่ไม่มีงานทำเดือนอยู่ได้ไหม ไม่ได้ไม่มีบ้านเปของตัวเองไม่มีที่ของตัวเอ ง, ไ ม, มมอ ง, เองไม่มีน้ําไม่มีไฟบ้านเราไม่มีงานทําก็อยู่ได้สบายอาจามาสร้างวัดไม่ถึงสาปีเสร็จหมดทุกอย่างแต่ที่นี่สามปีเพิ่งได้แค่นี้ท่านมาเฉพาะติดนี่นะเพราะนั้นเองที่เมืองไทยมาทำอะไรทำสลากกระห ม, าามนะ่อมเนี่ยหลังใหญ่นะีใหญ่คนนี้เราทําพระเจดีทําพิพิธภัณฑ์แล้วท ำ, ท ำ, วทำปีนี้ก็ทํเาเรือนรับรอ ง, องหอยฉันเสร็จเรียบร้อย เพราะอะไรพราที่นั่นคนแค่เจ็ดสิบล้านใช่ไหมประเทศไทยเราที่นี้เท่าไหร่เราต้องแข่งกับคนเท่าไหร่สามร้อยหรือสี่ร้อยล้านโอ้โหมันมันแบ่งน้ําหนักหลายเท่าเนี่ยที่ว่าทุกคือทุกเราต้องแข่งขันกับกับคนเหล่าเนี้แต่ว่าเราแค่เจ็ดิบล้านเนี่ยมันไม่ต้องแข่งขันกันลําบากแต่เราต้องแข่งขันกับคนเป็นเป็นหลายๆล้านน่ยหลายเท่าดังนั้นที่ความยากลําบากขนาดไหนแต่ด้วยด้วยบุญบา ร, รมีของ พราะุทธเจ้าและของความพยายามของท่านทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้นั้นเองตรงนี้เองก็เป็นธรรมะจากสั์ให้จะมามาร่วมบารมีท่านด้วยอย่างไงนะมาร่วมบารมีด้วยกันมาใช้สถานที่นี้ร่วมกันเพื่อให้มันคุ้มค่าถ้าหากว่าอยู่บ้านเราอาคารหลังนี้ใช้เดือนละครั้งก็คุ้มแล้วนะแต่ว่าที่นี่เดือนละครั้งเนี้ยไม่คุ้มต้องทุกๆุกอาทิตย์ทุกๆุ ก, กวันพระ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 แต่การสร้างสถานอบรมในอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะเราสร้างด้วยความเพียร น, นะนั้นเรื่องของอความเพียรพยายามแล้วก็สิ่งที่สําคัญท่านได้เป็นคนที่มีว่ากตัญญูนะกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาโดยอาศัยทํางานเนี่ยความกตัญญูนี่สําคัญอาจามาเห็นว่าในนวกควัตหน้าแรกอยู่ม่ไินสานะแต่พูดให้ฟัง หลักสูตรของพระเล่มแรกที่สุดคือนวากวา่าบวชมาปั๊บเนี่ยต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะเป็นกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญของพระหมายว่าถ้าคุณไม่อ่านไม่ได้ว่าคุณจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนี่ไม่ได้ต้หน้าแรกที่สุดในว่าในเรื่องของธรรมะวินัยเนี่ยหน้าแรกที่สุดมีธรรมะอยู่สี่หมวดมาว่าตัวเนี่ยสาคัญหมวดที่หนึ่งคือธรรมมีอุปกระมากสองอย่างเป็นตัวอุปกรณ์ทั้งหมดถ้ามีทำชุดเนี่ อุปกรณชีวิตของเราได้ทั้งหมดสองอย่างคืออะไรวันนี้เลนตะ้อทำก็นหน่่ยนะยังเตี้ยทั้งจำไม่ได้ทำมีอุปกรณเหมือนพ่อเหมือนแม่คู่ที่สองของเราคืออะไรสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสตินั้นเหมือนแม่สัมปชัญญะนั้นเหมือนพ่อเราเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยอยู่ไม่นานหมด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 อย่าให้คนเห็นเอ้าวล่ะทุกคนได้มาครบทุกคนละ้ามาในที่ประชุมอย่างเงี้ยอา้าวใครบ้างที่ขโมยของมาได้เนี่ยยกมือพลุบได้หมดเอามีคนหนึ่งไม่ยกมือเอาทําไมคุณไม่ยกมือล่ะผมไม่ได้เอาทําไมไม่ได้ผมจะรักไหนมีคนเห็นหมดเลยว่างั้นนั่นอ่ะมีคนเห็นผมก็เลยไม่ได้อา้าว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 โอ้ยากอยูน่นะถ้าไม่มีฮเลโอตระปะนี่นะแต่สําหรับคนที่ีิลิอตระปะก็จะเห็นตัวเองดังนั้นทำคุ้มครองของเราคือศีลจะคุ้มครองเราในที่เราสมทานศีล น, นะ่บ่ต้องไม่ต้องไปถือหลายข้อเอาแค่สองข้อพอห้าข้อก็เยอะเกินไปใช่ไหมห้าข้อเยอะเกินไปถ้าคนมีฮิลิอุตระปะจะกล้าฆ่าสัตว์ไหมคนมีฮิลิอุตระปะจะกล้าลักทรัพย์ไหมคนมีฮิลิอุตระปะจะไปละเมิดของคนอื่นไหม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 ระดับสมมติระดับสังคมระดับประมัตินะอายไปเอไปเอ า, เอานั้นนกอายกับคนอื่นเห็นใช่ไหมกลัวเขาว่ากลัวเขาเป็นินทา่ากลัวเขาตาําหนิฮิริอุตบะแบบนี้ก็เป็นทิริชั้นนอกเป็นฮิติแบบสมมุติใช้ได้ระดับหนึ่งทาอะไรอยู่ในบ้านทำไม่ดีไม่ร้ายกลัวลูกเห็นกลัวเมียเห็นกลัวสามีเห็นอันนี้ก็ก็เป็นฮิอรอุตปาระดับหนึ่ง แต่อยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าที่รับที่ได้กลัวตัวเองจะเห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยตรงนี้เป็นยอดของฮีริโอตปะเป็นเป็นหัวใจของศีล น, นะนี้เรียกว่าคุ้มครองเราได้ใครมีคู่นี้จะเข้มในระดับไหนก็ตามเข้มในระดับที่ว่าเมื่อให้ชั่วและบาปเกิดขึ้นในใจนั้นนี่เรียกว่าฮีริที่โอตปะที่เป็นศีลร้อยเอร์นอกนั้นก็จะเป็นสิบเอร์เี่สิบศีไปเรื่อยๆแล้วแต่ปัญญาของคนนะ เอาละอันนี้ชุดที่สองนะที่หลวงพ่ว่าทั้งทำทั้สี่ชุดนี้มาว่าข้อว่าทั้งหมดทั้งไปที่พิดกุกฮิริโอตปะฮิรีโอตปะสัมป น, นาสุกฐธรรมสมาหิโตสันตาส ป, ปุลิซาโลเกเทวาธรรมติวุ จ, วจเจริใครก็ตามที่มีฮิริโอตปะอบรมบ่มพาอดีแล้วเราเรียกคนนั้นว่าเป็นเทวด า, าเห็นหัหย เพราะนั้นเราจะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะมีหิริโอตปะคู่นี้นะเราเรียกคนเพราะนั้นเทวดาไม่ต้องไปหาในสวรรค์หรอกไม่ต้องไปหานอกโลกนะคนนั้นจะเป็นเทวดามากน้อยขึ้นอยู่กับฮิริโอตปะมากแค่ไหนคนไหนมีโอตปะมากก็หมายความว่าคนนั้นจะมีสิ่งคุ้มครองมากนะเอาละชุดที่สามทำอันคนทําให้งามสองอย่างเพราะเราอยากเป็นคนงามใช่ไหม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 เวลาเราทำงานในบ้านเนี่ยกับผัวกับเมีย อ, อยู่ด้วยกันใช่ไหมมีการกระทบกระทั่งมีการทะเลาะเบาแว้มีการาดูถูกเหยียดหยามมีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทนได้ไหมถ้าทนได้แบบไม่มีโสรั จ, จัสทุนได้ด้วยใจที่ไม่งามอันตรายทนไปทนมาทนเรื่อยๆืลักษณะทนแบบไม่ด้วยการเก็บกดนะเก็บกฎไปนานๆแล้วจากขันติมันจะกลายเป็นขันแหละ ก็เป็นขันแตกก็ระเบิดนะนะระเบิดออกมาออกทางกายก็ได้ทะเลาะกันระเบิดทางว่าเอระเบิดทางวาจาได้ทะเลาะตบตีกันระเบิดทางกายเป็นไงได้ตบตีกันนะฮระเบิดตอนแรกมันระเบิดที่ไหนก่อนระเบิดทางทางใจก่อนมันเกิดขึ้นไม่พอใจเนมันระเบิดแล้วเนี่ยอ่าเขาว่ามาไม่พอใจมันมันระเบิดทุบๆในใจแล้วใจเต้นได้ใช่ไหมซักครั้งนึ่งมันก็ดังออกมาทางไหนอ่าทําวาจา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 มีเงินขายจะเอาคืนไหมเอาคืนเอาคืนขอให้ได้บุญขอให้ได้กุศลขอให้รวยเอาค่อยเอาคืน <laughs> คนะเอาคืนเยอะด้วยนะน <laughs> ่าทบุญร้อยหนึ่งขอได้ถูกหวจะสองร้อยอย่างเงี้ยนะเออนี้นะเนียลักษณะนี้หาได้ง่ายนะี่ไม่ยากหรอกนะแอ่บางคนให้เอาไงท่านเต็มที่เลยฉันไม่ต้องการบุญฉันก็ไม่เอาบาปฉันก็ไม่เอา ฉันจะเอารู้สึกตัวที่ท่านพูดนั่นแหละนะเอออย่างเงี้ยเขาเรียกไม่มีเงื่อนไขฉันจะเอาจะรู้สึกตัวที่ท่านพูดนั่นแหละบนะุญกุศลฉั น, ก, น, น, น, ญญออนก็ไม่เอาเพราะว่าบุญก็ทําให้เป็นบาปบาปก็กลับมา ท, าทําบุญอีกก็วนวิ่าว่าจะเกิดไม่จบแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่เหนือบุญเหนือบาปฉันต้องการตรงนั้นแหะมันตรงนั้นจะถ้าหาเราทําตาความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าหาได้ยากบุคคลหาได้ยากทาบุญภายนอกก็ทําไปแต่อย่าลืมทําบุญภายในด้วยคือทําความรู้สึกตัว ท่านโยมมาวัดนะแม้ไม่มีอะไรมาเลยนะยัยมาอย่างรู้สึกตัวก็ถือว่าได้มาทําบุญแล้วถ้ารู้สึกตัวไป็นไงรู้สึกตัวแล้วไม่จะอยู่เฉยๆได้ไหมไม่เคยจะจับไม่ ก, กวาดทํ า, ทาความสะอาดเข้าห้องน้ําล้างห้องน้ำเข้าครัวล้างด้วยล้างชามใช่ไหมกวาดปัดกวาเช็ดถูทําความสะอาดบริเวณวัดอย่างรู้สึกตัวอันนี้ก็ได้บุญแล้วได้เยอะกว่าด้วยนะอ่า เข้ามาก็หมาเข้ามาช่วยกันบริการพระเราอยู่ด้วยกันน้อยรูปแล้วก็จะปว้วัดของเราให้อ่าไม่สวยไม่งามนี่ไม่ได้เราต้องมาอย่างรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกตัวเฉยๆนั่งรู้สึกตัวเฉยๆะฉนนั้นในวิธีการของพ่อเทียท่านให้ยกมือเพื่ออะไรยกมือนี่เพื่อจะห า, หางานที่จะทำเนคะนทั่วไปนะั้นทำงานด้วยความไม่รู้สึกตัว แต่วิธีหลวงพ่อเทียนนะให้ยกมือเพื่อเวลาไปทํางานนะเพื่อให้รู้สึกตัวอย่างที่เรายกมือแบบนี้แหละให้เกิดทักษะความเคยชินยังไงนะเพราะฉะนั้นมีโยมคนหนึ่งเมื่อก่อนแกเรียกว่าเป็นคนมีอันจะกินอะ่ะเป็นเจ้าของร้านโกเบียวที่ถนนสุภวิทเนี่ยเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ส่งออกแกมีคนใช้ในบ้านเยอะเลยนะต่อมาแกมาปฏิบัติธรรมแบบแบบเคลื่อนไหวเนี่ยแต่แกทำหนอมมานานแล้วแต่ว่า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 แดือกทำงานด้วยความรู้สึกตัวมันสนุกแต่เมื่อก่อนมันทําด้วยความฮิดอ่ะเนี่ยโอ้โหวัดงวัดค ร, รูทําอยู่คนเดียวด้วยไหวเลยเนี่ยอาจารย์ให้เราทําอันนี้รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวโอ้บ้านทั้งหลังเนี่ยให้ฉันทําอยู่คนเดียวรู้สผ้าใช้แล้วก็ไม่ซักให้กูซักคนเดียวไม่กินแล้วก็ไม่ล้างในบ้านก็ไม่ถูทําไปก็บ่นไปทําไปบน่นอย่างนี้รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวทําด้วยความไม่พอใจเป็นบุญไหมหาได้ง่ายทําแบบนี้นะ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 มา <c oughs> ช่วยกวาดนู่นทำนี่ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดก็ไหนวัดที่สะอาดสะอ้านเสมอนะโอซล า, าไม่เป็นขี่นกขี้หนูเลี้ยล่าดแล้วก็ตามถนนหนทางมัน ม, มีกิง่งไม้มีใบไม้รกลุงลังในครัวก็สะอาดเขามาโอ้โหญาติโยมวันนี้ทำบุญกันดีมากนะทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงสติปัญญาทำครบหมดเลยเพราะนั้นส่วนใหญ่พูดถึงทำบุญเนี่ยเราก็มักถึงจะเรื่องแรงทรัพย์ อย่างเดียวแล้วไม่ลึกถึงแรงกายแรงสติปัญญาใช่ไหมนั้นมาออกหวัวคิดออกปัญญาช่วยกันออกกําลังกายดูแลช่วยช่วยกันดูแลวัดช่วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่าทําบุญอันนี้เป็นใช้ขันติโสร จ, จัตด้วยแล้วก็อันสุดท้ายคนที่หาได้ยากมีการให้ก่อนให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้กําลังแบบไม่มีเงื่อนไขให้ข้อคิดสติปัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขให้เงินให้ทองสร้างวัด แบบไม่มีเงื่อนไขแต่ขออย่างเดียวขอให้รู้สิบตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านเห็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้ก็ได้นิ ม, มนต์อามามาช่วยตัวนี้ด้วยแล้วอาจาก็ไม่ใครจะใครจะนิ ม, มนต์มาง่า ย, ายๆมาก็ระวังตัวเหมือนกันนะวัดทั่วไปเขาเห็นวิธีการพวกเทียนนึงเขาเับาไม่ได้เพราะนั่งกัรมาฐา น, ปนไปเง่้ยหลับตาทั่วไปเถอะต้องหลับตาต้องนิ่งใช่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 อันนี้แหละโยมมันยากตรงนี้แหละเพราะนั้นวิธีการของรบเทีนไม่ใช่ลงได้ง่ายๆนอกจากเ่าหาพื้นที่ได้ยากแล้วคนรับก็ยากแต่ว่าเอามาถือว่าคนไหนรับได้หนี่ถือว่ามีบุญวาสนาเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เรามีคุณทาณําสี่ประการนี้ประการสุดท้ายที่ว่าเป็นคนหาได้ยากอันนี้คือคนให้ก่อนอันที่สองคนให้ก่อนแล้วว่ากัตันยูปุภากาีคนให้ก่อนแลวก็ คนที่เห็นเขาให้แล้วก็ตอบแทนบุญคุณคือกตันยูกะตะเวทีตรงนี้ก็หาได้ยากเหมือนกันโยมทั้งหลายเนี่ยคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงคนที่ให้พปดแล้วก็พยายามมาทำงานแล้วก็ส่งเงินไปให้พ่อให้แม่ไปดูแลความสารสุสสุขของท่านบางคนนะหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ทาหน้าที่ตรงนั้นเลยลืมไปเลย หลายคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ญาติโยมพวอเราที่มาวัดนี้ไม่เป็นไงใช่ไหมเพ่าอาจารย์ประสานนั่นพูดเรื่องนี้ประจําใช่ไหมหรือว่าสงสัยอยู่เอ๊ะฟังนะท่านก็ลืมไปเหมือนกันนะพ่อแม่กันเอาทิ้งไปไหนมันรู้ก็ น, นึกถึงกันนะไม่อาจารย์ประสานท่านคงไม่ปล่อยว่าโยมทําอย่างนั้นหรอกนะท่านอยต้องคือเบื้องต้นเนี่ยถ้านจงแนะ น, นาทีเดียวว่าใคระที่มีพระคุณต่อเรามาก่อนอาจารยเองหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วนะหลังจากเข้าใจธรรมะปีสามศูนย์ กับหลวงพ่อเทียนเนะ่ยควจริงมาทํามานานนะวิธีการนี้ไม่ใช่รับได้ง่ายๆนะยกมือนี่นะามาพบหลวงที่พ่อเทียนปีหนึ่งเก้าสองศย์กว่าจะมาเข้าใจจริงๆอ่ะ ร, รู้สึกตัวจริงๆอ่ะปีสามศูนย์ใช้เวลาเป็นสิบสปีเพราะอะไรโยมรู้ไหมโยมมาปฏิบัติแค่สามวันเจ็บวันโยมสัมผัสได้แล้วแต่มาปฏิบัติเป็นสิปีพึ่งสัมผัสเพราะอะไรรู้ไหมเอามางมัรู้ว่าความเป็นพระมันยากตรงนี้เองพระเนี่ยมันยากว่าในปฏิบัติยากว่าพระมีสมมุติเยอะ พ่ออะไรพอบทชเข้ามาวันแรกเขาไป็นไงยกมือไหว้แล้วใช่ไหมกราบแล้วอ่าไปอยู่ที่ไหนก็บานไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อของไม่ต้องหาลำบากทุกอย่างฟรีหมดโอ้โหถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาเป็นางเป็นนี่เขาอ่านเลยใช่ไหมแต่ว่าเราเขาสมมติให้มาทําหน้าที่อันนี้คือว่าเรามีสมมติหนาเกินไปสมมุติว่าเราเป็นพระพระมี เป็นพระพันศาหนึ่งพันษาส อ, สองก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเป็นพระมหาก็เริ่มหนาขึ้นอีกแล้วเป็นเจ้าคณะาพาสังฆาริการเริ่มหนาขึ้นเลยถ้าไมา่ถ้าไม่ระวังจริงๆความเป็นพระฟังสมมุติเรานี้มันจะพ่อคุณเราให้เราสําคัญตัวผิดว่าเราเป็นพระมีอายุมากอาตมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเป็นมหาบา ร, รียนเป็นครูบาอาจารย์เป็นอายุพันษาเยอะเรียนมาเยอะอะไรต่างโอ้โห พอไปพบหลวงพ่อเทียนไปพาหลวงตาทรำ ร, รายกมือให้เราดูใช่ไหมรับได้ไหมไม่ได้แต่มันสงสัยสงสัยเพราะอะไรเพราะว่าอาการของท่านเฉมใสแล้วก็พูดเดืขาดพูดได้ฟังแล้วก็แล้วเลยคุณเจ้าเอาไปเอาเป็นเรื่องของคุณฉันวินาพูดความจริงให้ฟังและอาจารย์คนอื่นจะต้องเฝ้าอธิบายเรื่องน้นเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าทําให้เราที่จะเข้าใจอ่ะ แต่ว่ามันไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่กระทบจิตแต่ไปเจอหลวงวฒเทียนท่านพูดเด็ดขาดแล้วก็แจม่มใสแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยนะไม่ใช่พูดยากมากอย่าจะมาเนะี่ยพูดน้อยแล้วก็พูดที่ฟังเสียว่าท่านไม่ใช่เนิบๆธรรมดาเนะีเป็นฟันชั่วชวลงไปเลยไม่ได้หยอกล้อเขอเล่นอะไรต่างเอาจริงๆก็เลยติดตามฟังท่านอยู่3ามปีเริ่มเข้าใจ เ, เข้าใจแต่ว่ายังไม่เห็นอะไรก็ทํามาเรื่อยๆ การเอาสมมติของพระออกโดยที่เราไม่ต้องการอะไรนี่ยากมากเพราะความยึดมันมีอุปทานเรามันมีทุกคนอนะนะดังนั้นเองจุดนี้สําคัญใช่ไหมนั่งหลับตาเหงาไปแล้วนั่งต่อหน้าคนอ เ, อเหงาไม่ได้นะเนี่พายยกมือมาแล้วเนะี่ยก็อะไรเพราะไม่ตื่นตัวไม่ตื่นโพรงมนะันั่งเหงาอย่างเงี้ยหลับตาเหงาก็เ็อย่างเงี้ยเอามาก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยเข้าชานเป็นตัวแข็งมาเป็นทั้งหมดทําหนอนนี่เข้าชานได้เป็นตัวแข็งได้เลยเอ่ะแล้วก็ทําสมาธิแบบ อะไรแบบอนาปาเนี you know, yes. end, nes, gone, think, eme, ่ยเข้าฌานได้แต่ว so, ่าเวลาออกไปข้างนอกเวลาไปทําการทํางานแล้วเนี่ยมันคิดแล้วมีกูมีมึงขึ้นมาแล้วเขาใช้ทํางานเออผมมันสามารถกว่าท่านนท่านเปสาน้อยกว่าไปทำก่อนดิอืาแล้วเขาใช้ไปทำมันนั้นฉันเป็นอาจารย์ของคุณนะคุณต้องไปทํำมันมันมีตัวตนตรงนี้อ่าโยมพาไปทำมันนั้นนะอ้าโยมไปทําฉันเป็นพระทำได้ไงโยมต้องไปทําเห็นไหมเป็นไม่ใช่ท่านที่ของพระ ผ้าเนี่มีสิทธิทพิเศษเยอะแยะตัวนี้มันตัวตนที่พ่อพูนเราเยอะมากเลยนะแล้วก็ทําสมาธิแบบโยมเป็งขามเลยนะนั่นสมาธิแบบพ่อใหญ่นี่หลับตาด้วยแล้วก็ดูสง่างามนะเข่งขึมนะห น, น้าหน้าเกรงขามคือนั่งแบบเแบบขาเรียกแบบพรามนะนั่งหลับตาแล้วก็ในคิดอะไรสารพัดอย่างเราไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> นั่งไปนุ่มฟาพอมันความคิดมันหมดเพราะง่วงเลยทีเนี้ย ช่วงที่คิดอยู่เนี่ยเกาเรียกว่านั่งตึงอยู่เต็มที่เลยามาทํามาหมดเรื่องเหล่าเนี้ที่ว่าที่พระมันสมมุติหลายชั้นเนี่ยที่มันยากอะนะจนมาต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกหมดต้องมาเปิดเผยต้องสิ่งอะไรที่มันค้างค้างในออกให้หมดเอามาเลยไม่รับตําแหน่งเจ้าคณะสังฆาธิการเลยถ้าเดี๋ยนู่นมาเลยนะทั้งๆที่ว่าเขาพร้อมที่จะให้ไม่อ่ะเพราะผู้ที่เจ้าท่านหนีสิ่งเหล่านี้หนีสิ่งเหล่านี้เรื่องนี้พูดมากไม่ได้นะมันกระทบหลายคนนะ เพราะฉะนั <co z ze> ้นเท่านั้นเองเรื่องเนี้เราเราต้องศึกษานะต้องศึกษาดังนั้นครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ของเราผู้มีพ่ะคุณของเราเราก็จะต้องดูแลแล้วก็โยมแม่จะมาเหมอนกัหลังจากที่มาเข้าใจเรื่องนี้แล้วคนแรกที่สุดที่มาคิดถึงคือโยมแม่เพราะโยมแม่เกิดเนื้อหนังทั้งหมดนี้กระดูกสติปัญญามันสมองทั้งหมดนี้ออกมาจากท้องถึงท่าน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 ในชีวิตของโยมเนี่ยโยมรักใครมากที่สุดโยมแม่ดอกเลยรักลูกเจ้าค่ะรักลูกถ้าลูกถ้ารักลูกจริงเนี่ยถ้าลูกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้โยมเน่ยโยมจะเอาไหมโอ้มาถึงจุดนี้โยมคิดหนักเลยเอาเจ้าค่ะอ้าโยมพระลูกของโยมมาให้มาอะไรมาตั้งสองสปีไม่เห็นโยมเอาสักอันเลยโอ้ก็ร้องจ้กเลยเห็นโยมแม่น้ำตาตกเลยโอ้ใช่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 ตัวรู้สึกนั่นคือตัวเห็นตัวที่มันเป็นอยู่เนี่ยคือตัวทุกข์นะเราเป็นทุกข์แต่เราเห็นทุกข์ตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามคือเห็นี้คือเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็นอะไรอ่ะมันก็จะกลับมาดูทุกข์เมื่อก่อนมันกลับมาดูเราเร า, เราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่เห็นตัวทุกข์ทั้ทงที่เราทุกข์ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรตาเราไม่เปิดเพราะนั้นตาเปิดคือเห็นรูปนามหลังจากโยมแม่เข้าใจแล้วมาที่นี่ก็โอตามสบายอยู่ก็ปฏิบัติตลอด ตั้งแต่นุ่นมาถึงบัดนี้ยมแม่อายุ87เท่าปีนี้แล้วเอาแก่สร้างวัดแกบนเขาวัดอนมาอายู่บนเขานะ่ก็เอาไปอยู่ที่นั่นแกก็มาทําสวนผักให้แกอยู่ข้างล่างแกก็ตอนเช้ามารด่นน้ำผักตอนกลางวันมาเก็บผักแกขึ้นลงขึ้นลงมาหลายครั้งแกเลยแข็งแรงนะแล้วอายุ85อันนั้นเองหลังจากแกได้ผมก็ทีนี้เราก็ไม่ได้ถาสารทุบผูกดิบกันแล้วแม่จะเอาอะไรไม่ไม่ต้องแล้วแกช่วยตัวตัวเองได้ทุกอย่าง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 คนมีปัญญาที่แท้จริงต้องให้ก่อนแล้วก็ตอบแทนเพราะฉะนั้นหน้าแรกทำแค่สี่ชุดเนี่ยตัวหิลิโอตาปเป็นอะไรเป็นศีลใช่ไคันติสรุรจารเป็นอะไรเป็นสมาธิแล้วก็ทำบุคคลหาได้ยากนั้นคือตัวปัญญาคนมีปัญญาหึงหาได้ยากเนี่เพราะฉะนั้นศีลสัสมฤทธิปัญญากำเนิดมาจากไหน กำเนิดมาจากสติและสัมปชัญญะเพราะนั้นเปิดมาเกิดมาจากแม่ลูกสามคนคือศีลสัสมธริปัญญาเกิดมาจากพ่อกับแม่คู่นี้คือสติและสัมปชัญญะถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งแล้วศีลสัสมธิปัญญาจะเกิดขึ้นเองถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องนะสติปัฏฐานสีนะสติสัม ป, นนะมปชัญญะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเจริญสัมปชัญญะไม่ ไม่ถูกหรือไม่ถึงที่หรือไม่เข้มแข็งตัวศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่เข้มแข็งด้วยเหมือนพ่อแม่ไม่เข้มแข็งลูกออกมาก็เป็นไงฮิโรออนเอพิการใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่เข้มแข็งลูกออกมาก็เข้มแข็งฉลาดชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าพัดใจพิดกทั้งหมดอาจจะมาเสริมปรุงในนี้นวกววาดหน้าแรกไม่เชื่อยุ่มไปเปิดดูเลยพรุ่งนี้นะ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 ถ้าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วต้องเป็นผู้ให้ก่อนให้นี่ไม่ใช่ว่าให้แต่บุญแต่ทานอย่างเดียวนะให้ครบสามระดับหนึ่งให้วัตถุเป็นทานอย่างที่ทมให้กันนสองให้อภัยเป็นด้วยให้อภัยคนเป็นด้วยมีอะไรนิดหน่อยก็อาให้อภัยสามให้คําแนะนําแก่คนที่ไม่รู้คนที่ประมาดคนที่เบียดวบีแนะนําใดแนะนําเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาประมาดตรงไหนแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันเรียกว่าให้ก่อน แต่ต้องดูหน้าดูดาวก่อนนะจู่ๆไปเตือนเขาไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวดูน้องเองเดมนตีกลับเอาง่ายๆต้องเตือนสําหรับคนที่จะเตือนได้บอกสําหรับคนที่จะบอกได้นั่นแหละเราให้ทำวมาเป็นทานนั่นให้ทำเชียนะถ้าเราบอกใครได้สอนใครได้แล้วเขาเอาด้วยเนี่ยแล้วโยมมีโอกาสได้ให้ทำเลยล่ะดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะมาฝากไว้ในปีใหม่ปีนี้นะขอให้เป็นลูกของ พระพุทธเจ้าพระทธเจ้อามาวัตถิสัมาพันธ์เป็นพุทธญาติตัวจริงที่อยู่ในตัวงเราก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้มารวมกันซึ่งหาโอกาสได้ยากธรรมายเองก็มาทําหน้าที่เรียกว่ามาทําหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยการนําสิ่งนี้มากราบให้ฟังเป็นธรรมทานก็ขออนุมโมทนาใน